และธรรมเทศนาลำดับที่สิบสามโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าธรรมะอยู่ที่กายใจนี้เองนี่ก็เป็นพระไม่สมควรที่จะต้องได้รับรู้รับทราบได้เรียนรู้เพื่อได้ยินได้ฟังเป็นแนวทางเพื่อการศึกษา ส่วนนี้ผมก็เป็นห่วงเหมือนกันไปที่ไหนผมเป็นห่วงเพราะว่าพวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนักศึกษาแพทย์ที่เข้ามาบวชมีเวลาจํากัดเพียงเดือนเดียวหรือเดือนเศษนิดหน่อยสมควรอย่างยิ่งจะต้องอัดแนวความคิดเข้าไปเพื่อการศึกษาให้เรียนรู้ให้รักวิชา ในภาคทฤษฎีนี่ให้แน่นจากนั้นก็เป็นแนวปฏิบัติต่อไปภายภาคหน้าเป็นแนวความคิดอย่างไรอันนี้ก็พวกท่านทั้งหลายจะได้คี้คายออกมาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังในยุคนี้เข้ามาศึกษาในคราวนี้ในเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเราก็จะได้รู้อาศัยการได้ยินได้ฟัง ห ล, หลายครั้งต่นหลายหนคราวนี้ก็เข้าใจจุดหนึ่งคราวนี้ก็เข้าใจจุดหนึ่งอย่างโยมบางคนเขามาพูดกับผมมาแต่ก่อนผมฟังเทศหลวงตาฟังยังไงก็ไม่เข้าใจกิเลสกิเลสข่ากิเลสจําจัดกิเลสวันหนึ่งผมนั่งผมมาฟังที่นาคำน้อยเปิดประมาณตีสามเปิดฟังเทศหลวงตาพอเปิดขึ้นมาแล้วมัน มันเข้าใจปุ๊บเลยเหมนเข้าใจในความรู้สึกเข้าใจว่าเนี่ยคําว่ากิเลสสิ่งไหนก็ตามคิดออกนอกลูกนอกทางที่มันไปออกนอกลูกนอกทางคิดิจิตใจไม่สงบคิดไปที่ไหนต่อที่ไหนอันนั่นแหละคือตัวกิเลสคือมันไม่อยู่ในหลักของศีลธรรมถ้าหากว่าเป็นธรรมแล้วก็อยู่ใน เราจะนึกภาวนาพุทธโธมันก็อยู่กับพุทธโธแต่นี่มันไม่อยู่กับพุทธโธอันนี้แหละคือตัวกิเลสพา น, นําไปก็เลยมีความรู้สึกขึ้นเออกิเลสมันเป็นอย่างนี้เองนะมันเอามันลังไม่อยู่นะผมก็เลยเข้าใจตั้งแต่บัดนั้นจากนั้นฟังเทศดวงตาก็เลยเข้าใจมาเรื่อยเรืยรืยค่ะนี่แหละสรุปแล้วก็คือความใส่ใจและความตั้งใจการศึกษาอีกสักวันหนึ่งมันจะรู้ด้วยตนเองว่า กิเลสนั่นคืออะไรธรรมนั่นคืออะไรสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์บ้างจากเทปจากหนังสือบ้างอจากเสียงธรรมของหลวงตาบ้างนี่เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นผมจึงนึกเป็นห่วงอย่างที่ว่านั่นนะบางทีเข้ามาบวชแล้วก็ไม่ได้ยินได้ฟังก็อยู่แบบอื เฉยๆแต่ตมามไม่จริงผมก็แนะนําหลายครั้งต่อหลายโหนว่าให้ฟังฟังดูนะธรรมเทศนาอย่างน้อย ฟ, ฟังวันละหนึ่งกัลธรรมเทศนาขององค์หลวงตากลางคืนให้พยายามนั่งฟังให้นั่งให้เน่งนั่งให้สงบจากนั้นก็ดูที่ใจบริกรรมที่ใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องส่งใจไปฟัง เสียงท่านเสียงท่านมันจะเข้ามาหูของเรามันจะเข้ามาสู่ใจของเรามันจะเข้ามาสู่ความรู้สึกของเราเราจะรับรู้รับรู้รับรู้ขณะที่ท่านพูดฟังให้เข้าใจฟังเพื่อเข้าใจไม่ได้ฟังเพื่อจําอันนี้ก็คือฟังเทศเป็นนี่แหละอันนี้ผมก็แนะนําให้หมู่พวกพระใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกพระนักศึกษาแพทย์ที่ท่านพวกท่านทั้งหลายก็เป็นผู้เรียนรู้เจนจบทางครวาตหรือว่าเป็นผู้มีความรู้ทางโลกเขาก็ยอมเป็นที่ยอมรับว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นหัวหัวเกรดเอของประเทศแต่เมื่อเข้ามาบวชแล้วก็ควรจะได้รับ ธรรมะในทางที่ถูกต้องคือหลักเหตุผลเข้าสู่จิตใจของพวกท่านในทางที่ถูกต้องหลักธรรมะคือหลักเหตุผลอยู่แล้วคือถักหลักความถูกต้องอยู่แล้วพอท่านได้กลั่นกรองมาจากใจจริงถึงพวกท่านจะเรียนจบปริญญาเอกก็เถอะอัอนนั้นเรียนเราเรียนเพียงแต่ ดอกเป็นอย่างงั้นใบเป็นอย่างนี้ใบอ่อนเป็นอย่างงั้นใบแก่เป็นอย่างนี้กิ่งเป็นอย่างนี้กิ่งเล็กกิ่งใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่เราเรียนหลักของพระพุทธศาสนาเราเรียนเรียนหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราเรียนลงมาที่แก่นแล้วก็ลากแก้วรากแก้วของความเรื่องทั้งหลายทั้งปวง ก่อนที่จะออกไปจากไปเป็นดอกเป็นใบนั้นออกไปจากแก่นออกไปจากรากแก้วถ้ารากแก้วของต้นไม้รากใหญ่ของต้นไม้ถอนพวดขึ้นมาดอกผลใบเล็กใบน้อยกากิ่งก้านทั้งหลายล้มละในนาทนีเหี่ยวเฉาตายไปหมดเพราะเหตุไรเพราะมันตัวใหญ่ก็คือ ลากแก้วที่มันดูดลงไปในดินเลี้ยงหมูเพื่อนทั้งหมดถ้าสรุปลงมาได้กับลากแก้วนั่นคืออะไรเรียนถึงใจใจพระพุทธศาสนานให้เรียนถึงใจวิถีทางคิดของใจแนวความคิดของใจการปรุงแต่งของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะนั้นเรียนรู้เรื่องของใจจบแล้วจบยิ่งกว่าปริญญาเอกอีกปริญญาเอกมีหลายแขนง เนี่ยคแนงนั้นขะแนงนี้แต่เรียนเรื่องของใจจบแล้วจบสยามผูรู้แจ้งโลกจบหมดทุกสิ่งทุกอย่างคือพระอระหันต์พระอระหรนันต์นี่เรียนจบหมดทุกอย่างพระพุทธเจ้าพระอระหรันต์ตรสาวกท่านยืนยันอย่างนั้นถ้าเรียนจบเรื่องของใจและจบหมดทุกอย่างไม่ต้องเรียนทางอื่นจบแล้ววิชาแต่ถ้าว่าเรียนทางอื่นอยู่ยังยังไม่จบ เพียงจะเรียนแขนงใดแขนงหนึ่งหนึ่งท่านเองถ้าเรียนดอกไม้ก็เรียนแต่เพียงดอกไม้มันออกมาอย่างไรวิธีการมันออกออกมาอย่างไงเรียนวิธีของดอกไม้ท่านเองเหมือนกับพวกเราเรียนวิชาแพทย์วิชาหมอแต่ละแขนงนะอายุรกรรมบ้างกระดูกบ้างผิวหนังบ้างอย่างนี้ล่ะคือมันเรียนแต่ละแขนงท่านเองแต่ถ้าว่าเรียนจริงๆนะ เรียนเรื่องของของใจใจนาาํจนากายมาเกิดใจเป็นผู้พากายมาเกิดร่างกายก่อนที่จะมาเกิดขึ้นมาได้เพราะใจใจเข้าไปยึดครองในท้องของแม่เมื่อใจเข้าไปยึดครองแล้วใจดวงนี้นะ่ะเป็นผู้ประครับประงมร่างกายเหมือนกับเข้าไปต่อเติมร่างกายจากนั้นก็ เหมือนกับเราขับเข้าไปรับขับรถออกมาจากอู่อย่างนั้นอ่ะโซเฟอร์นะ่ะเข้าไปขับรถออกมาจากอู่ออกมาแล้วก็อันดับแรกก็ยังขับรถไม่เป็นเพราะมันยังมันยังอ่อนหัดเนี่ยต่อไปก็ร่างกายก็แก่แข็งขึ้นไปเรื่อยๆโซเฟอร์ก็เริ่มฝึกหัดขับแล้ว้นี่แหละอันนี้หลักของพุทธศาสนาในท่านเน้นถึงตัวผู้รู้คือใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า สำเร็จแล้วรวยใจอย่างเพื่อเรียนอภิธรรมก็เหมือนกันอภิธรรมคำนี้น่ะคือพระพุทธเจ้าท่านสเสด็จขึ้นไปอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงไปโปรดพระมารดาของพระองค์พระมารดาของพระองค์เป็นเทวบุตรไปอยู่ชั้นรุสิษฐ์ท่านไปอยู่ประทับอยู่ชั้นดาวดึงชั้นพระอินทร์และกัเทวดา พระมารดาของท่านอยู่ชั้นดูสิตลงมาฟังธรรมเทศนากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในพรรษานั้นพระองค์ขึ้นไปจำพรรษาอยู่ชั้นสวรรค์สามเดือนในขณะที่ขึ้นไปอยู่จำพรรษาที่นั่นพอจะไปฉันอาหารบิณทบาทตอนเช้าไปบินทบาทอีกทวีปหนึ่งในพระพุทธศาสนาเรียนว่าทวีปใหญ่มีสูสีทวีป เหมือนกับทวีปอเมริกาทวีปเอเชียอย่างนั้นแะแต่นี้มันเหนือเหนือจองนอกออกจากโลกอีกเป็นทวีปอันหนึ่งในความรู้สึกของผมนะในที่ได้ศึกษาในพระไตรปิฎกเวลาพระองค์จะไปตอนเช้าเวลาบินระบาด ท, ท่านจะไปบินระบาตในทวีปหนึ่งแต่ท่านอธิษฐานให้พระพุทธรูปองนั้นว่าวันนี้ให้เทศเรื่องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ คือตั้งคือเมื่อกี้ตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างนั้น่ะให้ตั้งโปรแกรมอาไว้จากนั้นพระองค์ก็ไปบินทบาทโปรแกรมก็พูดอ่ะทนีพูดตามที่ได้ตั้งเอาไว้พอฉันจังหารเสร็จแล้วเข้ามาพระองค์ก็เข้าไปเท ว, วดาเนี่ยไม่รู้เท ว, วดาเนี่ยหยาบกว่าพุทธาจากนั้นพระองค์ก็เทศนั่งเทศอยู่ตลอดสามเดือนอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาววันึง นั้นเทวดาก็มาฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นอนเนกอ น, นันต์มากมายมหาศาลไม่สามารถที่จะคัณนานับได้แต่พระพุทธองค์เทศในชั้นสวรรค์ในสวรรค์ชั้นนั้นในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าท่านเทศเรื่องอภิธรรมอภิธรรมก็คือกุชลาธรรมมาอากุชลาธรรมมาอัพยากตาธรรมมาอันนี้คือหลักใหญ่ กุสลธรรมะจิตที่เป็นกุศลอากุสลาธรรมะจิตที่เป็นอากุศลอัพยากตาธรรมะจิตที่เป็นกลางไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญจิตเป็นกลางๆลและอัพยากตาจิตทังนั้นก็ขยายผลและท่านจิตที่คิดยังไงเป็นกุศลจิตที่ปิดคิดยังไงเป็นอกุศลจิตที่คิดยังไงจีตเป็นกลางกลางที่เป็นไม่ไม่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเล แต่เนี่ยท่านก็หมายโพูดไปเลยทเนี่ยเพราะว่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีร่างกายไม่มีร่างกายเป็นของหยาบไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินของเผ็ดของเค็มไม่ได้สัมผัสร้อนหนาวอย่างพวกเราแต่เทวดาเนี่ยสวยบุญกุศลเวลาขึ้นไปแล้วเหมือนกับไปสวยบุญเหมือนกับพวกเราไปต่างประเทศอย่างนั้นอะ เราไม่ได้ทํางานคนที่รวยแล้วเขาไม่ได้ทํางานมีแต่เขาไปใช้เงินอันนี้ก็เหมือนกันคนที่ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมไปใช้เงินไปใช้บุญตัวเองที่ได้สร้างในเมืองมนุษย์แล้วในเมื่อเราไปขึ้นไปอยู่ชั้นสวรรค์เวลาเราจะตึกจะทานอาหารเรานึกแล้วก็อิ่มละ่ะเออนึกอันไหนก็ได้เพราะเหตุไรเพราะบุญกุศลเป็นผู้ให้แต่เทวดาก็มีบุญมากบุญน้อยต่างกันอีกต่างหากในชร้นแต่ละชั้น แต่ละเกตไม่เหมือนกันเทวดาเทวบุตรอยู่แต่ละชั้นสวรรค์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จะมาเทศเรื่องขันห้าหยาบหยา บ, ยาบไม่ได้เหมือนเมืองมนุษย์อตาเป็นอย่างนั้นหูไปนี้จมูกไปนี่นกายไปนี่เผ็ดเปอย่างนี้เค็มไปนี้เทวดาไม่รู้เ พ, ออรเพราะเหตุไรเพราะเทวดานึกขึ้นมาก็อิ่มละมีความสุขเพรอสัมผัสทิพย์ทั้งหมดแต่ไม่เหมือนสัมผัส ข, ของมนุษย์ไม่เหมือนสัมผัสสัตว์เดรัจฉาน อันนี้เขาพูดองขึ้นประเทศอยู่ชั้นดาววัดึงโ ป, ปรดพมานดาสามเดือนขคือท่านเทศตึงพิธรรมทั้งหมดเรื่องการเคลื่อนไหวของใจทีนี้พอเคลื่อนไหวของใจท่านก็มาพูดเรื่องเอการเคลื่อนไหวของใจจิตเท่านั้นดวงใจเท่านั้นดวงเหมือนกับถ้าจะว่าไปเหมือนกับลิง ลิงกระโดดกิ่งไม้ใหญ่เออมันเกาะไม้ใหญ่นะเอ้าเกาะไม้เล็กนะเออเกาะกิ่งนั้นนะ่กะก็เกาะกิ่งนี้เออมันหยิบตัวนั้นกินมันมันมันไล่มดนะเออมันไล่มแมลงนะเออดูอาการของจิตไล่ไปเรื่อยอันนี้แหะคือแต่ตามไม่จริงในหลักของมนุษย์จริงๆท่านสอนว่าให้จับปลิงตัวนั้นนะ่ะมามัดให้กับหลักให้อยู่กับหลัก อย่าให้มันแสดงอากับกิริยาอย่าไปให้มันกระโดดกิ่งไม้กิ่งนั้นกิ่งนี้ใบนั้นใบนี้ไปหาหยิบแมลงตัวนั้นตัวนี้ให้จับเปลิ่ตัวนั้นมามัดให้มันอยู่ให้มันอยู่กับหลักอันนี้คือท่านถอนสอนเทวดาเนะี่ยท่านสอนอีกแบบนะึงเพราะว่าเทวดานั้นไม่มีร่างกายมันมีแต่เรื่องอากับกิริยาของใจใจนึกคิดเป็นของละเอียด เทวดาท่านก็ได้ฟังแล้วก็เข้าใจได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลแต่จะมาเทศกับเมืองมนุษย์เนี่ยจะมาพูดเรื่องใจทั้นดวงใจตัวนี้ดวงฟังเท่าไรก็ยิ่งงงไปเรื่อยแต่ว่าถ้าว่าจับจิตตัวที่รู้รู้มาอยู่กับกรรมฐานกําหนดลมหายใจเข้ารัว่าหายใจเข้าหายใจออกรัวหายใจออกให้สติให้มีสติสัมปชัญญะให้จับตัวผู้รู้ มาอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่าให้มันคิดไปทางอื่นเท่านี้เราก็พอเข้าใจเพราะเหตุไรเพราะว่าเรามีร่างกายเพราะนั้นขอให้พวกเราเข้าใจอย่าไปหลงเงื่อนอย่าไปหลงซ้นอย่าไปหลงห ล, ลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนคนกลุ่มหนึง่งท่านก็พูดอีกแบบหนึง่งถ้าสอนคนอีกกลุ่มนึงท่านก็สอนอีกกลุ่มหนึง่งถ้าหากว่าสอนผู้ที่มีปัญญา ท่านก็สอนอีกในระดับหนึ่งถ้าสอนอีกกลุ่มหนึ่งท่านก็สอนอีกในระดับหนึ่งเพราะนั้นจะจะให้สอนแบบเดียวกันไม่ได้แต่ความมุ่งมุ่งหวังและมุ่งหมายนั้นคือความหลุดพ้นน่ะคืออันเดียวกันแต่ว่าการแนะนำสั่งสอนนั้นวิธีการสอนนั้นแปกแตกต่างกันอันนี้พวกเราให้จับประเด็นให้ถูกให้เข้าใจอย่าไปหลงเงื่อนอย่าไปหลงซนอย่าไปหลง ทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าทําไมมีมากถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์เราจะไปจดจมำที่ไหนบ้างขนาดนั้นแต่ตามไม่จริงมันมีอะไรมีกายกับใจมีศินสมาธิปัญญาอันนี้คือหลักใหญ่หลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าวางเอาไวา้กายกับใจกายกับใจอาศัยกันอยู่ในร่างในคนขอเราเนี่ยใจนั้นคืออะไรคือตัวผู้รู้คือนามธรรม เราจะทำยังไงให้ใจตรงนี้ร่วมสงบนิ่งพระพุทธเจ้าว่าให้มีสติสัมปชัญญะให้กำหนดลมให้มีสติสัมปชัญญะให้บังคับอย่าให้มันออกไปบังคับให้มันอยู่เน่งบังคับให้มันอยู่เอาอะไรบังคับมันเอากรมฐานกรมฐานคืออะไรให้กาหนดลมหายใจเข้า หายใจออกอันนี้คือกรรมฐานแต่จะทำมากกว่านั้นก็ได้กรรมฐาน40พุทธาธรรมมาสังคาศีลาจาคาเทวตามรณะอนาปานาสติอะไรก็ได้กรรมฐาน40พวกเราศึกษาคือพระพุทธเจ้าวางเอาไว้แต่นอกเหนือกว่านั้นยังมีอีกอย่างนางอะไรที่เป็นนั่ง ขึ้นไปบนศาลาไปเห็นเขาจุดเทียนพอไปเห็นเขาจุดเทียนบูชาพระนะ่อยจุดเทียนเห็นไฟเสียงขยบขยบขยบท่านก็ดูใจของท่านเออใจของเราก็เหมือนกับแสงเทียนนั่นอะ่ะมันไม่อยู่นิ่งให้มันรินอยู่ตลอดเวลาอันนี้เ น, นี่ยตัวอันนี้จังเกิดอยู่ที่ใจของเราอันนี้จังของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนของเราเราไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ ไม่เที่ยงเหล่านั้นท่านก็ปล่อยวางที่ใจท่านก็เป็นพระอาหารหันต์นางปตาิจาราท่านเทน้ําลงสูดินท่านตักน้ำมาแล้วท่านเทน้ําล้างเท้าของท่านไหลไปน้อยหนึ่งเทที่สองไหลไปยาวไปนั่นอีกไหลไปที่สามลิ้นยายาวไปกว่อีกท่านก็เออคนเกิดมาเนี่ยเป็นแค่นี้หนออเกิดมาแล้วแต่เล็กก็ตายได้กลางก็ตายได้ แต่ทุกคนต้องตายทั้งหมดอันนี้คือโลกอันนี้เป็นโลกอันนี้จังโลกของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่เที่ยงเหล่านั้นไม่ใช่ับไม่ใช่เราเป็นอนาัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราท่านก็ปล่อยวางจุด น, นั้นอีกท่านก็เลยเป็นพระหรันเสิ่งเหล่านี้มีมากมายนี่ที่สาวกประวัติที่ท่านได้เขียนเอาไว้ อันนี้ก็คือวิธีการวิธีการคิดสรุปแล้วก็คือให้ย้อนให้ย้อนให้มีความรู้สึกย้อนลงมาให้เห็นอันนี้จังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้คือคือหลักใหญ่ที่จะถอดถอนกิเลสภายในจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเนพราะนั้นขอให้พวกเราให้จับประเด็นให้ถูกนะในการประพฤติปฏิบัติธรรม แต่อันดับแรกมันก็เกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่การเป็นอยู่เหมือนกันนะถ้าพวกเราวางตัวถูก เ, เมื่อเป็นฆราวาสญาติโยมควรจะมียังไงมีน้ำใจมีเมตต า, ามีทานมีศีลจากนั้นก็มีภาวนามีการอ่อนน้อมถ่อมตนมันเป็นมาจากทางนู้นคล้ายๆกับว่ามันเป็นสายมาจนถึงมาถึงจนมาถึงด้านจิตใจ แหมไม่ใช่ว่าปลุกปรับเข้ามาไปตีหัวเขาไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขามาแล้วมานั่งภาวนามันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นเพราะเหตุใดเพราะว่าแหม่มันใจของเรามันมันมันกระเพื่มอยู่แล้วมันผิดอยู่แล้วจะมานั่งภาวนาทำจิตใจให้รวมให้สงบมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เป็นผู้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรม ขยับมาเรื่อยๆ เ, เ, เป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้มีเมตตาจากนั้นมีการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์จากนั้นเมื่อไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาจิตใจก็เย็นสบายจากนั้นนั่งภาวนามองดูดอดีตมองดูอนาคตไม่มีโทษแล้วก็มองอยู่ในปัจจุบันก็มีแต่ความผาสุกจากนั้นก็ดูจิตใจในปัจจุบัน เมื่อจิตใจรวมอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นแหละอ่เมื่อจิตใจรวมอพอประมาณแล้วกันนำมาพิจารณาเทนี่แห่พิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรทางด้านปัญญาพิจารณาอนิจจังอย่างที่ว่านี่แห่เกษาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาพันตะโจหนังอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายพิจารณา พิจารณาอย่างไรจึงเป็นพระกรรมฐานพิจารณาอย่างไรไม่ใช่พระกรรมฐานพิจารณาอย่างไรที่เป็นกรรมฐานคือพิจารณาให้เห็นอนิจจังของไม่เที่ยง เ, เส้นผมผมมันตกหล่นขนมันตกหล่นหนังถลกหนังออกไปฟันหลุดออกไปอย่างนี้ผมขนเล็บฟัน เ, เล็บหลุดออกไป อย่างเนี้ยถ้ามันหลุดออกจากร่างของเราแล้วเป็นยังไงเป็นอสุภะใช่ไหมตกใส่อาหารเราทานได้ไหมหนังหลุดออกไปอย่างนี้ไปตกใส่อาหารมันก็น่าขยะขยงร่างกายของเราเนี่ยทุกส่วนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้ามันหลุดออกจากร่างแล้วใช่ถ้ามันอยู่ในร่างกายตกแต่งขึ้นมาเนพอผมก็ย้อมผม อวิวผมให้สวยงามอันนี้ก็ติดในผมว่าผมสวยงามอันนี้ไม่ใช่พระกรรมฐานเพราะเราไปตกแต่งให้มันสวยงามขึ้นมาแล้วก็เกิดความกำหนัดยินดีในผมขนก็เหมือนกันตกแต่งขนขนคิ้วขนอะไรอหนวดเข่าติดตกแต่งให้มันสวยงามอันนี้ก็กำหนัดในขนอจากนั้นก่อนแต่งเล็บให้สวยงาม เกิดความกำหนัดยินดีรักใคร่ชอบใจในเล็บอันนี้ก็เป็นกิเลสไม่ใช่พระกรรมฐานตกแต่งร่างกายย้อมให้สีแดงผูดผาดบาตาให้ร่างกายอันนี้ก็ว่าตกแต่งอย่างนั้นพิจารณาอย่างนั้นไม่ใช่พระกรรมฐานเพราะเห็ดอะไร เพราะมันทำให้จิตใจกำเริบด้วยราคะความกำหนัดยินดีแต่ทำยังไงจึงจะเป็นพระกรรมฐานอย่างที่พิจารณาอย่างที่ว่าให้พิจารณาตามความเป็นจริงร่างกายสังขารเกษาโรมานขาทันตาตะโจเนี่ยพอถลกหนังลงไปแล้วไปกองกับพื้นแล้วเออ ถ, ถอดเนื้อออกไปอีกทาแหละเนื้อลงไปอีกเออถอดกระดูกไปอีกหนังไปอีกตับลำไส้ ปอดหวดัวใจไตดีอุจจละปัสาวะเลือดเอาไว้คนละกองละกองกันเป็นยังไง ร, ร่างกายของเราเนี่แหละพิจารณาอย่างนี้แล้วว่าพิจารณาแบบภาคกรรมฐานให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงแล้วใจของเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายของเรา เป็นเพียงแค่นี้หนออีกสักวันหนึ่งมันจะต้องแตกสลายลงไปไปในที่สุดอันนี้เราพิจารณาแบบพระกรรมฐานเอ่อแบบพิจารณาแบบแพทย์ป๋ออีกต่างหากพิจารณาแบบแพทย์แพทย์หมอนั่นคือผมมีลักษณะอย่างนี้มันมีเชียวอย่างไงมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเออมันจึงขยายออกมาอย่างนี้เออวันมันขยายวันละเี่อเ่กี่มิลลิเมตร กีดอะไรเท่าไหร่ อ, อขนหนังมันชําลอกออกมายังไงมันถ่ายออกไปยังไงมันหลุดออกไปยังไง เ, เล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันมันอาการของมันเป็นอย่างไรอันนี้คื อ, อ, อวิธีการแพทย์วิธีการหมอเขาศึกษาเรื่องร่างกายแต่หลักของพระพุทธศาสนาท่านให้พิจารณาอีกแบบหนึ่งแบบที่ผมพูดนะนะ ให้เห็นตามความเป็นจริงท่านหลันกากมาสอนใจเลยแต่หมอไม่ได้สอนใจนะเพียงจะรู้เท่านั้นเองว่าร่างกายมีสภาพเป็นยังไงจะแก้ไขยังไงจะปรับปรุงยังไงแต่แต่แตทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพิจารณาและท่านให้ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจใครเป็นผู้รู้ว่าร่างกายเป็นอย่างร่างกายเป็นอย่างนี้ร่างกายสกปรกล่างกายสวยงามใครเป็นคนคิด ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจใจไปหลงร่างกายใช่ไหมเห็นไหมว่าร่างกายเป็นของเสร็จสวยงดงามอย่างนั้นใช่ไหมจริงไหมว่าร่างกายนี้เป็นของที่เมื่อไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมเห้อใจจากนั้นขย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจเมื่อใจของเราได้รับการพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสมาธิเป็นพื้นฐาน ใจิตใจของเรารวมเป็นเป็นสมาธิเป็นพื้นฐานเมื่อนํามาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลใจิตใจก็ยอมรับใจของรองยอมรับโอ้ร่างกายของเรานี่ถึงจะเลี้ยงธนุถนอมกอมเกาไม่ให้ขาดตกบกพร่องด้วยปัจจัยสี่อาหารการบริโภคเลี้ยงอย่างดียุกยาเลี้ยงอย่างดีผ้านุ่งหม่หมให้อย่างดีที่พักพา้าใสอย่างดี แต่ร่างกายเนี่ยก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไปทีละน้อยละน้อยละน้อยเราไม่รู้ว่ามันแก่นี่คืออะไรนู่นอีกห ล, ลายๆปีเรื่องจะรู้จักห้าหกเจ็ดสิบปีเข้าไปรู้ชัดเจนเลยทีนี้โอ้ยแก่แน่เนี่ยจะไงก็ไม่ดึงไม่กลับกูไม่กลับใช่แล้วร่างกายนี่เนี่ยจะทํำยังไงเลี้ยงยังไงมันก็เลี้ยงไม่ไหวเพราะในสุดก็ต้องได้ทิ้งกันทุกคนถึงจุดจบของชีวิต นี่แหละใจอย่าหลงนั่งใจสอนใจเพราะพุทธเจ้าสอนไว้อย่าหลงน่ใจนี่แหละคือเกิดแก่เป็นทุกข์เก็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ในเมื่อสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะไปยึดมั่นจะไปถือว่าเป็นตัวตนได้อย่างไรให้รู้นะอย่าหลงอย่าหลงนะใจนะแหมอย่าหลงกายนั่ใจนะให้รู้เท่ารู้ทันนะใจนะแหมเมื่อเราพิจารณา พิจารณาหลายครั้งต่อหลายหุน่นใจของเรารู้เรื่องของกายรู้เท่าทันรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจรู้เท่าทันกิเลสที่เข้ามันไปยึดมั่นถือมันว่าเฉดสวยงดงามน่ารักใคร่ชอบใจว่าร่างกายจะเป็นของจิรังถาวร อ, อยู่ในช่วงฟ้าดินสลายมันหลงเท่านั้นเองน่าใจนะเราจะไปหลงหนาใจไนดะ้ เมื่อเรามีธรรมคือสมาธิธรรมปัญญาธรรมคลี่คลายดูจิตใจของเราแล้วใจของเราก็จะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละนิพพานไม่ต้องหาที่ไหนหาที่ตัวดูที่เมื่อรู้ออเมื่อรู้แล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นกันนะนิพพานังประมังสุขขังอนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเกิดจุดเกิดมาที่ใจนั่นแหละหไม่ได้เกิดมาจากที่อื่น ความโง่มันไม่ออกมาจากที่ไหนความฉลาดมันออกมาจากความโง่ตัว ร, รู้เมื่อรู้ขึ้นมาแล้วความโง่ก็ตกไปอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็หลุดไปมีแต่ความบริสุทธิทธ์ธุดพ้นอยู่ที่ใจของพวกเราเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วขอให้พวกเราพาลุกพัานลัน ถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ให้เรียนรู้เอาไว้ว่าหลักของพุทธศาสนาในท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายให้รู้เท่ารู้ทัน ใ, ให้รู้เท่าทันใจให้ให้รู้จักแยกว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันเดียวกันให้พวกเรานั่งสมาธิเราจะรู้ได้แต่เดี๋ยวนี้เราแยกไม่ออกกายกับใจมันเหมือนกับติดกันแต่ตามพิจริงถ้าเราได้เรียน เรื่องใดใช้คอมพิวเตอร์เราจะรู้ว่าเนี่ยคอมพิวเตอร์มันอยู่ที่หัวของเราเดี๋ยวนี้ใจของเราเนี่ยอีกส่วนหนึ่งมันออกแยกออกมันมากดคอมพิวเตอร์ที่ศีรษะของเราให้มันสั่งงานให้มันสั่งกายให้มันสั่งวาจาให้มันสั่งเรื่องอะไรออกไปเนี่ยมันตัวผู้รู้มันอยู่นอกเหนือนอกว่าตัวผู้รู้นั่นคือใจนั่นอยู่ที่ไหนมันอยู่ได้รับรู้ทั้งหมดในร่างกาย มันไม่ใช่อยู่ในหัวไม่ใช่อยู่ในตีนในมือไม่ได้อยู่ในหัวใจมันอยู่ในตัวของเราตัวรับรู้ของเราทั้งหมดใจดวงนี้มันรู้ได้ทั้งหมดมันอยู่ได้ทั้งหมดเพราะมันเป็นกายยทธิ์ใจดวงนี้เพราะนั้นมันจะสั่งสมองออกไปให้ทำงานจะไงจุดไหนถ้าว่าใจดวงนี้มันโมโหโกธาใจดวงนี้มันรัก มันใข้มันกิเลสลาค้าขึ้นมามันก็สั่งไปอีกแบบเยิมไปด้วยกิเลสเออหวานเยิมไปหมดแต่ถ้าว่ามันไปด้วยโทสะมันโกโมโหโกธาถ้ามันมีความโลภอยู่ในใจเห็นเนอะไรมันก็อยากได้ทั้งหมดโลภมาเป็นเขาจบตัวเองทั้งหมดเนี่ยถ้ามันหลงเพราะมันหลงมันหลงซะก่อนมันจังโลภมันหลงซะก่อนมันจังโกรธมันหลงซะก่อนมันจังรักถ้ารู้เท่ารู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว มันจะรักโลภโกรธทำไมฮเพราะเหตุไรเพราะมันรู้แล้วรักไปอย่างงั้นรักไปเพื่ออะไรเห็นไหมคนรักกันเป็นยังไงผลที่สุดต่างคนก็ต่างตายไปฟันหลุดพันหล่นไปหมดหนังเหี่ยวหนังย่นไปหมดฮ ห, หัวเราะเสีย ก, กันเหมือนก็ร้องไห้เมื่ออายุแปดสิบเก้าสิบปีมาแล้วเพราะมันอฟันหลุดไปหมดแล้ว ห, หัวเราะก็เหมือนก็ร้องไห้ พวกเราดูสิมันน่าทัศนาไหมร่างกาย เ, ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองเหตุและผลใช้ปัญญากันกรองไตรตรองด้วยหลักเหตุผลตามธรรมคาสอนของพระพทุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือกายกับใจใจหลงกายใจหลงสิ่งทั้งหลายทั้งปวง เวลาเรามาฝึกหัดทำให้เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วใช้ปัญญากั้นกรองไตรตรองเหตุและผ ล, ลเราจะรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นวันนี้ผมได้พูดแนะแนวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันดับแรกผมได้พูดเกี่ยวกับธุรการงานจากนั้นก็เรื่อง การเป็นอยู่ของพวกเราการเข้ามาบวชของพวกเราการศึกษาของพวกเร า, เ, าเรื่องอสมาธิเรื่องพระพุทธเจ้าโปรดพรมานดาที่ท่านไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงท่านโปรดเทวดาอภิธรรมมีความหมายอย่างไรอภิธรรมกุศลาอากุศลาอัพยากตาธรรม มันเป็นเรื่องของกระแสจิตกระแสใจของเทวดาเพราะเทวดาไม่มีร่างกายไม่มีไม่ไม่ได้รับสัมผัสเหมือนกับมนุษย์แต่มนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเป็นมนุษย์ให้ท้องอกงอกตั้งใจภาวนาให้มีสติสัมปชัญญะกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักแล้วก็ผมไม่ได้พูด ให้ฟังว่า ก, กรรมฐานที่พระพุทธเจ้าวางไว้ในสี่สิบอย่างแต่นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอีกพระสาวกสาวิกาที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรำรท่านได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็ปล่อยวางใจของท่านก็รุดพ้นจากอาสวะกิเลสสรุปแล้วก็คือหลักใหญ่คือให้เห็นไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละโดยมากทั้งหลายทั้งปวงที่ได้พิจารณาธรรมะ ที่จะหลุดพ้นและที่จะหลุดพ้นนั้นคือท่านยกไตรลักษณ์เป็นใหญ่พูดอย่างนั้นได้เพราะนั้นพวกเราเมื่อพิจารณาอะไรก็ตามให้เห็นร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งนั้นจงไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมใจของเราที่มันไม่เที่ยงปวดแข้งปวดขาหูหนวกตาบอดบ้าใบใจของเราก็เป็นทุกข์เนีเมื่อสุขภาพไม่ดีใจของเราก็เป็นทุกข์ เ่อเราจะบไขได้ป่วยใจของเราเป็นทุกข์ว่าตัวของเราเป็นมะเร็งจุดนั้นจุดนี้เราใจของเราเป็นทุกข์นี่นี่เมื่ออันนี้จังของไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์นึกเมื่อเป็นทุกข์จะเป็นของเราได้อย่างไรนี่แหละคือเห็นแต่รักจกแต่รักขึ้นมาเลยหลัลจากนั้นก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในที่สุดนะทั้งหมดทั้งปวงที่ผมได้แน่ในแนวมาเนี่ย ถึงจะพวกเราท่านทั้งหลายทำไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็เป็นแนวทางเอาไวา้เพื่อการศึกษาว่าต่อไปภายภาคหน้าเราจะได้ศึกษาและได้นําไปประพฤติปฏิบัติเราอย่าไปหลงโลกหลงทางบางทงก็ไปเห็นนิมิตไปเห็นเรื่องสวรรค์โลกเรื่องสวรรค์ก็เพิดเพลินไปว่าจะมีความสุขที่แท้มันเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทั้งหมดนะสวรรค์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันขึ้นไปต้องลงมาอีก พรมก็ไม่เที่ยงเหมือนกันขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกเป็นมนุษย์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันพวกเราเห็นไหมมนุษย์เที่ยงมีไหมสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราดังนั้นปล่อยวางที่ใจนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ดูใจสรุปแล้วพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าดงพงไฟถึงหกปีวันสูตรสาเร็จในวันนั้นอาสาวกยกยาณ ย, ยานอย่างรู้ว่างพระองค์ หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสกระว่าคลายจากกิเลสถอดถอนจากกิเลสปล่อยวางจากกิเลสหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นแหละคือความหลุดพ้นของพระพุทธเจ้าดังนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติหนะ้าบทมาในคราวนี้ให้ศึกษาในทั้งที่ผมพูดทั้งผมแนะนํารัตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ